เรื่องผ้าปูนั่งผืนเล็กเกินไปสมัยนั้นผ้ารองนั่งมีขนาดเล็กเกินไปป้องกันเสนาสนะได้ไม่หมดภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ทำผ้าปูนอนใหญ่ได้ตามที่ภิกษุต้องการ